อันนี้ก็เหมือนกันเข้าได้กับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะอยู่ด้วยกันจะรู้ว่าเป็นผู้มีสินหรือไม่มีสินต้องอยู่ด้วยกันนานนะอันนี้ต้องสังเกตไม่ใช่ว่าใส่ชุดสีเหลืองอย่างนี้ขึ้นมาแล้วจะเป็นผู้มีสินไม่ใช่พวกเราท่านทั้งหลายก็ได้เห็นใส่ยูนิฟอร์มเนื่็ทํากชั่วมากมายมหาศาลเหมือนกันมากมายเอ